การที่เจ็ดความเป็นมาของพระป่ากรรมฐาน ท่านผู้ชมครับรายการธรรมะบรรดาลใจวันนี้พบกับผมบัณฑิตปิ่นมงคลุวันนี้รายการธรรมะบัรดาลใจจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาของพระป่าพระกรรมฐานครับซึ่งเมื่อต้นปี2554ปีนี้มีงานงานหนึ่งที่คนไทยทุกคน ทั่วประเทศได้รับทราบข่าวกันก็คืองานพิธีพระราชทานเพลิงสริระสังขารหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่ห้ามีนาคมพุทธศักราชสอง4ห้าอห้าี่งานพระราชทานเพลิงสริระหลวงตามหาบัวนั้นมีผู้คนไปร่วมงานนับล้านคนนะครับเป็นข่าวใหญ่ไป ทั้งสื่อนังสือพิมพ์สื่อทุกชนิดนะครับก็ได้นำเสนอข่าวนี้กันมีคำถามตามมาว่าเหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงให้ความเคารพศรัทธาองค์หลวงตามหาบัวซึ่งเป็นพระป่าสายกรรมฐานและเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นโพริทัตโตนะครับ วันนี้รายการธรมรมบันดาลใจจึงจะได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระป่าพระกรรมฐานซึ่งผมถือว่ารายการนี้จะเป็นรายการบันทึกประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าต่อไปในอนาคตซึ่งเชื่อว่าจะมีคนไทยในอนาคตนั้นได้มาศึกษาต่อไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของพระป่าพระกรรมฐานนะครับซึ่งวันนี้ผมได้กราบเรียนนิมนต์พระอาจารย์สาครธรมรมพุทโธประธานสงฆ์วัดป่ามณีการอำเภอบางกรวยจังหวัดนนท บ, บุรีซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ฟันอาจาโร ว, วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครมาพูดคุยในรายการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระป่ากรรมฐานครับร่วมกันน้มสักการท่านพระอาจารย์สาคร ธรรมะก็รับท่นผู้การครับอาจารย์ครับเจญพรครับอยากจะเรียนถามหลวงปู่ครับเกี่ยวกับว่าประวัติของพระป่ากรรมฐานนะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับเจญพรเนื่องในวันปีนี้เป็นปีมหามงคลครับคือสาเหตุของพระป่านี่ก็คือเกิดขึ้นจากราชสำนักครับ คือเมื่อหลังจากเกาเสือกรุงศรีอจิยาเสร็จรในงานนั้นสูญเสียพระธรรมวินัยเป็นจำนวนมากรพระไตปิดกสูญเสียในเมืองหลวงทั้งหมดแล้วก็มาตั้งกรุงธนบุรีก็เริ่มรวบรวมรพระธรรมวินัยพราไตปิดกออกมาจัดจัดใหม่กันที่วัดบางว่าใหญ่ในฝั่งธนบุรี แต่จํจชาชื่อวัดโตม์ชื่อวัดโตม์มาไม่ได้แต่ชื่ม<ว>พระเจ้าตากสินสมัยพระเจ้าตากสินครับพอพระเจ้าตากสินเสด็จลงไปปราบกบฏที่นครศรีธรรมราชครับก็ได้โปรดเก้าอัญเชิญเมื่อปราบเสร็จแล้วก็อันเชิญพระไตรปิฎกขึ้นมาครับแล้วก็กลับรวบรวมตามหัวเมืองในภาคกลางครับที่มีอยู่จํานวนมากเท่าไหร่ <c oughs> ก็เอามาตรวจสอบกันครับ ที่วัดบงางระว่าใหญ่ครับแล้วภายหลังมาก็ได้ยีมนคณะสงฆ์มีสมเด็จพระสังฆราชมาเป็นประธานครับคือจัดประชุมสงฆ์ก่อนครับว่ามีใครที่มีพันามารกอายุมากมีขวมมู้มากครับแล้วก็ได้อาจารย์ที่วัดปรู่ส่งธรรมที่ทางอายุทยาเก่าทางด้านนอ๋อครับมาเป็นอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายฝ่ายประธานสงฆ์เพราะท่านมีภรรษามากแล้วก็มีความรู้แจกสา ร, รับมีพระไตรปิฎกรวบรวมนิมนต์พระสงฆ์ได้ประมาณจัดกรรมการขึ้นมาตั้งขึ้นกรรมการกันขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นสี่ห้าคณะบในพระสงฆ์จํานวนสองร้ยห้าสิบรูปหรือรประมาณนี้ที่เป็นกรรมการในการจัดเรียบเรียงพระไตรปิฎกครับ แล้วก็นิมเชิญผู้บันดิตที่เป็นนักปราชญ์อาจารย์ได้จานวน32คนที่เชี่ยวชาญเนืภายหลังมาก็พอชินกรุงทนบุรีรมาเป็นกรุงเทพมหานค ร, ครพอกรุงเทพมหานครนี้ก็หลังจากจัดการก็เริ่มบ้างจากค่าศึกมากขึ้นช่วงรัชกาลที่สอง พราชัชาการที่สองก็เริ่มว่างจากการลบพุ่งกันมากพอสมควรแล้วก็เลยจัดระบบพระสงฆ์ครับราชการที่สองท่านโปรดเกล้าให้จัดคณะสงฆ์ได้เก้าสิบสองคณะครับที่ส่งไปประกาศตามหัวเมืองต่างๆครับแล้วก็ปีสองพันสามร้อยหกสิบหกครับท่านส่งออกไป พอมาปีสองพันสามร้อยหกสิบเจ็ดจ้ฟ้ามงกุฎพระชนมายุครบยี่สิบศรษาพอดีครับก็เลยจัดพิธีอุปสมบทเจะฟ้ามงกุฎซึ้งต่อมาก็คือรัชกาลที่สี่คือรัชกาลที่สี่ครับพอุปสมบทได้สามวันท่านอยู่ประทับแรมอยู่ที่วัดมหาธาตุครับแล้วพอวันที่สี่ท่านก็เสด็จไป <c oughs> เข้ากรรมฐานครับที่วัดสมุลอยครับพอได้สิบสองวันอยู่ที่วัดสมุลอยก็ เกิดชินพระชนรัชการที่สองเพอท่านผนวดได้สิบห้าวันชินพระชนครับครับจุดท้ายมาท่านก็เลยประกาศว่าขอศึกษาพระธรรมวินัยครับแตกสารรักษาปฏิฐานพระรัชบิดาในด้านคณะสงฆ์อ๋อครับท่าน ต, ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่ปีเศษเศษครับ <c oughs> วันหนึ่งท่านเรียนเก้าอย่าง มีอาจารย์มาสอนเก้าคนคทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษามอนภาษาลามันภาษาต่างประเทศภาษาบาลีศึกษาอยู่ปีเดียวครับแล้วท่านก็สอบรเรียนทำได้ห้าประโย ค, คพอสอบรเรียนทำได้ห้าประโยคเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าจะไม่ไม่สอบอีกครับแต่จะศึกษา ศึกษาอะไรครับศึกษาพระธรรมวินัยต่ออ๋อครับแต่จะไม่ใช้เวลาศึกษานั้นเอามาเป็นการสอบครับแต่เอาศึกษามาเพื่อปฏิบัติครับพอท่านก็ได้ศึกษาไปก็ได้พบกับพระเจ้าลังกาบ้างครับพระรามันบ้างครับภายหลังมาท่านก็เลยมาถือนิสัยพระรามันอ๋อครับเห็นว่าเป็นพระที่มีพระธรรมวินัยใกล้เคียงกับพระธรรมวินัยเท่าที่เราเรียนมามากที่สุดครับครับ แต่ตอนก่อนที่จะได้พบพระรามันนี่ของยังยากกันเหมือนกันครับท่านจะถอดถอดพระไทยเหมือนกันอ๋อคือหลังจากท่านได้เรียนพระธรรมินัย<อ>จนครบบริบูรณ์แล้ววันนี้ท่านมาดูความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ครั บ, รบกับพระธรรมในที่เราศึกษาครับมัน<อ>คล้ายๆกับว่าคงตามที่เข้าใจเราอ่านประวัติแล้วนี่เราเข้าใจว่า ท่านคงมองเหมือนกับมองมองดินกับมองดาวครับความเป็นอยู่ของพระสงฆ์กับกับพระธรรมวินัยครับในยุคนั้นเป็นยังไงครับมองดินครับมองดาวคือว่ามันมันริบหรี่ดูคุณธรรมของพระสงฆ์แล้วมันไม่มีอ๋ย อ, อย่อห ย, ย่อน <พา S 1> ย่อหย่อนย่อหย่อนในพระธรรมวินยัยในพระธรรมวินยัยอ๋อครับครับฉะนั้นท่านก็เลยเวลาพระอุปชาครับ ก็จะขอพักผ่อนสักอาทิตย์ครับแล้วก็เข้าไปในโบทตั้งจิตอธิษฐานครับบูชาอารักษ์ทั้งแปดทิศครับบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็บูชาอารักษ์ครับเทวดาแปดทิศแล้วก็ทํากรรมฐานครับตามที่ท่านได้เรียนมาคอยู่บอกว่าตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ายังศาสนาของพระสัมมาสดมพุทธเจ้ยังมีอยู่ขอให้ได้พบ ผู้บวชขึ้นปฏิบัติตามธรรมวินัยถ้าหากหรือหมดขาวของศาสนาอของพระศามโนะโคดมไปแล้วหม่อมฉันก็จะลาผนุษย์เพื่อจะไปปฏิบัติธรรมอยู่ตามลำพังคนเดียว ค, คำอธิษฐานนี้ในความคิดของอาจารย์ว่าท่านทอดอะไรคล้าย <c oughs> ๆกับมองดินกับมองดาวในคำอธิษฐา น, นนั้นนะพอสุดท้ายมาได้สี่วัน มีพระอาจารย์ชายที่งเป็นชาวรามัน oh. ที่บวชมาจากสำนักกัลยาณีสืบเสื้อสายมาจากสำนักกัลยาณีครับที่ศรีลังกาครับสำนักกัลยาณีนี้ก็คือพระมหินตะเจระเป็นวางราชฐานไว้ครับในภาคปฏิบัติฉะนั้นพอได้พบพระอาจารย์ชายแล้วก็เลยสอบสวนท่านไปตรวจสอบบริขารก่อนอื่นครับมีครบตามพระธรรมวินัยมีมีดโกน มีถลกบะมีธะไรมา ก, กกกองน้ําครับมีมีตัดเล็บมีด้ายมีเข็มครับไปตรวจสอบบริการครับบว่าเป็นบริการที่มีครบถ้วนสมบูรณ์ครับท่านก็เลยศึกษาอยู่กับอาจารย์ชายนี้ประมาณระยะหนึ่งพอท่านครบอธิษฐานของท่านเสร็จแล้วท่านก็มาปรึกษากับอาจารย์ชายว่าจะทํายังไงเ ร, ราจะขอถือนิสัยอาจารย์ชาย ครับเขาเลยขอถือนิสยัยจันชายครับแต่พอเสร็จแล้วมาพิจารณาถึงความเป็นอยู่ทั้งหมดครับไม่สะดวกท่านก็เลยกลับไปที่วัดสมอลายครับแล้วก็นิมนต์คณะสงฆ์ชาวรามันมาได้มาสิบแปดรูปครับมาทำหิตติจตุตกรรมใหม่ที่หน้าไอ้ผูกแพรเพราะท่านเข้าไปตรวจสอบที่วัดสมอลายแล้วนี่ขุดดูลูกนิมิต ไม่เป็นไปตามพัทธมินายโอครับท่านก็เลยยังสงสัยอยู่ก็เลยไปทําฮิตติจตุทกรรมกันใหม่ที่ครับหน้าวัดสมราลยด้วยแพ่ปลูกแพรขึ้นมาครับทำเพราะพัทธมินายเรียกว่าอุเคทศีมาก็ยังไงก็คือทําแพรขึ้นกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะอุปสมบทอ๋ออุปสมบทใหม่เลยอุปสมบทใหม่แต่ว่าเรียกว่าทําหิตติจตุทกรรมใหม่ พอเสร็จแล้วก็มีคณะสงฆ์ที่ร่วมทําหิติจตุกรรมใหม่นึงเยอะกรรมธรรบนแผ่บนแผ่ที่หน้าวัดสมอลัยคือหน้าวัดราชาปัจจุบันในแม่น้ำเจ้าพญาเหรอในแม่น้ำเจ้าพยาตอนในแม่น้ำเจ้าพญาเสร็จแล้วก็ถึงมาทําพิธีที่โบสถ์ใหม่ออครับเอาคณะสงฆ์ชุดใหม่นี้มาทําพิธีที่โบสถ์ในวัดสมอลัยนี่ยุคนั้นรู้สึกว่าจะมีพระสงฆ์ถึง สามร้อยองค์มีผู้คนที่เข้าไปปฏิบัติอยู่ในที่วัดสมอลายนี่เป็นพันคพวกขราชบริพานพวกอะไรต่างๆดังนั้นก็เลยอยู่ที่นั่นมาแล้วก็มีสมเด็จพระบรรลัตทัพครับก็ทําด้วยครับที่เป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดเทพรสินแล้วก็ทําด้วยกันแล้วก็มีคณะสงฆ์เข้ามาร่วมกันเยอะจํานวนมากขึ้นมากขึ้นครับ แต่ข่าวก็ไม่ดีมาถึงราชาสำนักว่าเจ้าฟ้ามงกุฎจะท่องสมผู้คนครับแล้วก็มีการประชุมในมุขมตรี ค, ครับแต่ทางฝ่ายนักาการที่ถามท่านก็ว่าชีต้นไม่น่าจะมีความคิดแบบนั้นเพราะเรารู้กันมาตัแต่เด็กแต่แวเราเบื่อพวกเจ้าขุนมูล น, นายที่มันคุยกันไปคุยกันมา ก็มีมุขมุนตีคนหนึ่งเสนอขึ้นว่าวัดบวรนี่ว่างอยู่แล้วครับก็นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าวัดวัดบวรนซะเลยครับตอนนั้นท่านอุปสมบทมาได้ห้ารรษาสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดท่านก็มาอยู่วัดบวรบชินเสด็จมาทางเรือชนมาตนะใช้เรือหกสิบสองลำใหญ่กว่าพิธีที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ใช้ห้าสิบสองลำ ทางชนนมาอันนี้ใช้หกสิบสองล้ำไม่รู้เข้าคลองบางกะพูเข้ามายัางไงที่มาวัดบรวรเจากวัดสมุทรก็คือรชัชกาลที่ส<ม>ี่เมื่อสมัยทรงผนวตก็มาเป็นเจ้าวาดวัดบรวรนิเวศมาเป็นเจ้าวาดเลยฮะเสร็จแล้วบัด น, นี้ท่านก็มาเห็นพวกาศาสนาคิดที่เขาเคยแพร่าศาสนาด้วยการพิมพ์คําสอนครับาศาสนาคิตท่านก็เลยขอให้ทางบัตรหลวงครับเขาสั่งเครื่องพิมพ์ไม้มาพิมพ์ ธรรมัดเช้ า, ชาทรรมัดเย็นครับแล้วก็บูชาพาระนันไตพี่เรากล่าวคําบูชาทั้งหมดบูชาวันมาคาบบูชาวิสาขาบูชาอาสารหามบูชาพวกนี้ท่านก็มาจัดขึ้นมาวันนี้ท่านก็เริ่มปฏิบัติการพระสงฆ์ที่มาอยู่ในวัดบกบวรวันนี้ก็ต้องปฏิบัติตัวแบบทัานหมดอ๋อครับถือธุดงแล้วพอออกพรรษามาก็พาเที่ยวธุดงอ๋อครับเที่ยวธุดงไปจนกระทั่งมาไปพบหลักศิลาเจรึกเมืองสุโขทัย ท่านเพียรอ่านอยู่สองเดือนจบคลักซีราจาลึกหลักแรกหลักที่หนึ่งเพียนอ่านอยู่สองเดือนครับถึงตีความได้ทั้งหมดเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาแล้วก็อยู่วัดบวรนมาประมาณยี่สิบกว่าปีครับเพราะท่านพนวดอยู่ทั้งหมดมันยี่บเกจปีโอครับจนสามารถเรียนภาษาาอังกฤษาภาษาสันตกฤษภาษาอะไรตัวอะท่านภาษาต่างประเทศพูดได้ ทั้งหมดพระในวัดบวรเวลารัช ก, การที่สามท่านเสด็จทอดกระถิ่นต้นหรืออะไรตัวอะไรจะทรงตัดว่าพระในวัดบวรี่ยังมีอยู่ไหมที่ไม่เป็นประเรียนบอกว่าไม่มีพระวัดบวรยังมีอยู่ไหมที่พูดภาษาต่างประเทศไม่ได้ไม่มีคือสามารถพูดได้สองสามภาษ า, าแต่ละองค์ครับพระในวัดบวรมี่พระในวัดบวรีนประมาณห้าร้อยกว่าองค์ในสมัยนั้น แล้วก็มีผู้คนมาศึกษาพัฒมินยอยู่ด้วยครับพวกอุบาสกพวกอุาสิกาพวกอะไรอะไรเยอะยลมาวันนี้ก็มาพวกพันธุโลดีเดเวะธรรมีเมาส์คุณะสัมปนโนกรรมัมที่เป็นชาวเมืองอุบลมาศึกษาอยู่ที่วัดบวอนเป็นพระเหรอครับเป็นพระอ๋อไอ พันธุโลดีเดวธรมมีเม้าเป็นพระมาศึกษาอยู่ที่วัดบวรพอสิ้นรัชการที่สามปีสองประอาจารย์รูปเดียวนะที่ที่มาจากอุบลนะมาจากอุบลรู้สึกว่าประมาณห้ารูปแต่อาจารย์จําได้สามรูปมาศึกษาอยู่ที่วัดบวรเพราะท่านมาเรียนอยู่วัดมหาธาตุแล้วแต่พอได้ข่าวว่ารัชการที่สี่ท่านออกมาอยู่ที่ที่วัดบวรวัดบวรก็เลยเข้ามาศึกษาที่วัดบวอรัพอมาศึกษาอยู่ ท่านแตกสารแล้วก็พาทุดงทุดดงจนได้เป็นปริียนเป็นอะไรต่อเลยครับอันนี้สิทธิของ ร, รัชการที่สี่โดยตรงคือท่านท่นยติใหม่อ๋อมายติกับรัชการที่สี่ที่วัปบวรถือทุดงขวัดอ่าสิบสามถือสิบสามข้ออ๋อครับขันทวดสิบสี่ข้อเสกคีวัดเจ็ดสิบห้าข้อครับครับคือหน้าแรงก็จะออกทุดงครับหน้าฝนก็จะเรียนหนังสือครับ เป็นปกติก็ทีนี้พระจาจากอุบลมาจากอบบุาากอบลก็พอมา 2,394 วันที่2เมษายนชินราชการที่3วันนี้ก็เป็นพวกมุขมุลตีต่างๆแ้าฟ้ามุ ก, กุดก็เสด็จไปประทับแรมที่วัดพระแก้วงานพระบรมุพ ครับแล้วพอเย็นมาก็พวกมุขคมนตรีต่างๆก็มาถวายสัตว์ปฏิญาณขอลาขอเชิญลาพนวดให้ขวังราชออ๋มานี้มนให้อลาสิกขาบทเพื่อไปครองราชเพื่อไปครองราชอ๋อครับครับคือมาสักถวายสัตว์ก่อนอพวกมุขมนตรีต่างๆก็สัถวายสัตว์ปฏิญาณของวันที่สามครับเมษสารครับครับพอวันที่สี่ ากลางคืนก็จะมีพวกญาติพวกมุขมตรีต่างๆเข้ามาถวายสัตว์ปฏิญาณขอให้ท่านออกไปครองลาดครับครับพอวันที่ห้าท่านก็ลาพนวดตอนห้าทุ่มอ๋อครับแล้วพักอยู่ในพระบรมหาราชวังไหมครัจัดที่พักที่เพื่อใครในนั้นเสร็จครับครับแล้วก็พอสุดท้ายมาก็วันที่สิบแปดไอ้สิบเก้าพฤษภาได้าซาพิสกทธ ครับเวลาสาพิเศษเสร็จก็พวกเจ้าขุนมุนนายต่างๆที่เป็นหัวเมืองต่างๆก็เข้าถวายรายงานครับเมืาถวายรายงานตัวหม่อมฉันอยู่เมืองนั้นเมืองนี้ปกครองมีผู้คนเท่านั้นเท่านี้มีช้างเท่านั้นตัวม้าเท่านั้นตัวกําลังลบเท่านั้นสเสบียงอาหารข้าวสารเท่านี้เข้าเปลือกเท่านู้นดินประสิวเท่านี้ดินดําเท่านั้นมาถวายรายงานวันนี้กับพระพรมคิรี ที่เป็นเจ้าเมืองอุบลมันหวายงานก็เลยมีบัญชาออกมาว่ามีพระสวนีออกมาว่ารประหลัดจงการออกมาว่าพระพรมนี่มีลูกหลานชาวเมืองอุบลมาอยู่ที่วัดบวร์รับต้องการที่จะให้ไปเผยแพร่พระครำมายุธทางภาคอีสานบ้างไหม ค, คือคำตัดที่ออกมาเนี่ยมัน ก็ก็รู้อยู่ใจใจว่าคนที่พูดนั้นหมายความว่ายังไงครับครับสว่วยฝ่ายพระพรมคีรีก็รับพระราชองค์การว่ายินดีที่จะนิมนต์ไปพักตีวัดที่เมืองอุบลพระพรหมคีรีนี่เป็นอะไรเป็นเจ้าเมืองอุบลเป็นเจ้าเมืองอ๋อก็ได้พวกนี้ขึ้นไปก็ส่งพระชุดนี้ไปห้าห้าชุดด้วยกันแต่วัดบรวรแต่วัดบรวรไปเป็นสิทหลวง ไปที่ไปอยู่ที่อุบลไปอยู่ที่อุบลครับ 2,394 ครับพอปีหลวงปู่เสานี่เกิดปี 2,402 พอ 2,422 ท่านก็อุปสมบทเป็นพระพิสุครับแล้วก็มา 2,432 ท่านก็มรยติโดยพระครูสีทาเป็น พระอุปชาท่า น, น พ, รพระธรรมยุทธครับแล้วก็ออกทุดงกับพระครูชีทา <S S S S ครับไปเมืองโขงครับแล้วกลับมาจากเมืองโขงก็ทุดงอยู่แถวเมืองอุบล น, นั่นแล้วภายหลังมาก็ได้ไปทุดงที่บ้านนองมิ ก, มออกมครับอำเภอโขงเกียมครับแล้วก็ได้ไปพบพระอาจารย์มั่นครับที่บ้านหนองมิกบินลบาทที่หลวงปู่มั่นเป็นชายหนุ่มอายุยี่บสองปีตอนนั้น ครับมันใส่บาทมาอะไรต่ออะไรเราก็ต้องสอนเรื่องทำกรรมฐานครับเรื่องปฏิบัติครับพอเห็นว่าหลวงปู่มั่นมีนิสัยใจคอดีมีนิสัยอกอ้อมอรีมีนิสัยนิสัยที่จะเป็นไปกับการภาวนาได้ดีครับท่านก็เลยชวนหลวงปู่มั่นขึ้นไปอยู่บนภูหล่นครับพอขึ้นไปอยู่บนภูหล่นแล้วก็เลยไปทํำถ้ำทําอะไรต่ออะไรที่มันมีถ้าอยู่แล้วก็หาหินมาก่อกั้นขึ้นมาคือมันทําเดิมมันอยู่นี้ ก็กั้นขึ้นมาเป็นกำแพงเป็นอะไรตัวอะไรครับพอทำเสร็จนี่สาเหตุที่หลวงปู่มั่นเป็นเป็นฆราวาสอยู่ตอนคือยังเป็นฆราวาสอยู่ยังไม่ได้บวช อ, อ๋อลุงปู่มั่นนี่มาเป็นศิษย์เป็นศิษย์หลวงปู่สาวตั้งแต่สมัยยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชเลยอพอสุดท้ายมาก็ขึ้นไปอยู่บนู้โหลนครับบัณ น, นี้หลวงปู่มั่นที่จะภาวนาดีคือเสือนมาตะกายทบ คือเมื่อก่อนถ้ามันนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ภายหลังมาลุงปู่ไปทํากําแพงใส่นี่ครับมันเข้าไปข้างในไม่ได้มันก็เลยมาตะกายดูอ๋อตะกายอยู่หน้าถ้าตะกายอยู่กําแพงที่สร้างใหม่<อ>นั่นแหละครับครับมันตะกายอยู่นั่นแล้ววันนี้ทั้งร้องทั้งตะกายทั้งอะไรตัวอะไรครับนึกถึงว่าคนก็เคยได้ยินเสียงเสือร้องเสืออะไรนี่<อ>แต่ในขณะที่มาประชิดตัวขนาดนี้อยู่กันคนละข้ามกําแพงนี้ครับ <laughs> จิตใจมันต้องสงบครับนี่ขนาดนั้นครับพอจิตใจสงบเสร็จแล้วก็พอเข้าใจอะไรต่ออะไรแล้วก็ภายหลังมา ก, ก็อยู่ที่นั่นเกือบจะเข้าพรรษาครับแล้วหลวงปู่เสวก็ถึงได้สั่งพามาหาพ่อแม่มาลาพ่อลาแม่เพื่อจะไปบวชกับหลวงปู่เสวครับลงจากภูเขามาก่ะลงมา ม, ามันห่างประมาณแักสิบกิโลได้จากบ้าน น้องเม็กขึ้นไปบนภูหลนจังหวัดอะไรครับเนี่ยจังหวัดอุบลอ๋ออุบลครับอําเภอทุกวันนี้เป็นอําเภอสีเมืองใหม่ครับครับเมื่อก่อนเป็นอําเภอของเกมครับแล้วก็สุดท้ายมาพ่อหลวงปู่มั่นก็ไม่ขัดข้องอยู่แล้วพ่อว่าได้ภาวนาดีมาแล้วครับมีความเข้าใจในเรื่องธรรมเรื่องเวไนยพอสมควรแล้วครับพ่อหลวงปู่เสามาขอมาพูดกับพ่อแม่ทั้งก็ไปเลยครับไปบวชแต่ บวชคนละอุปชากับหลวงปู่มัน่นแต่บวชวัดเดียวกันวัดสีทองอหมายถึงบวชหลวงปู่มั่นบวชออคนเล่าอุปชากับหลวงปู่กับหลวงปู่เสาโอ้ครับหลวงปู่เสาวบวชพระครูศีทาครับครับเป็นพระอุปชาครับแต่หลวงปู่มั่นบวชเดวะทัมมีเมาคือนามชา ย, ยาท่านเดวะทัมมีแต่ชื่อท่านชื่อเมา องนี้เนี่ยใช่องค์เดียวกับที่มาศึกษาธ <Thomas> รรมกับราชกาลที่สี่ที่วัดบรวร น, นิเวศเมื่อวัดบวรนิเวศเมื่อเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังผนวดอยู่ยังผนวดอยู่ออคือพวกนี้เป็นสิทธ์หลวงครับครับคับจนสิทธิหลวงที่ขึ้นไปอยู่อุบล น, นี่มันห้า <Nan> ห้าห้าองค์ที่เป็นหัวหน้าครับผมก็ได้บวชกับพระ ที่เป็นลูกศิษย์ของรัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่ครับครับแล้วพอหลังจากนั้นมาแล้วบันนี้หลวงปู่มั่นก็พาใครใหลวงปู่เสาครับระจำารรษาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็พอออกพรรษาแล้วก็พาทุดงไปกราบอุปชาที่เมืองโขงไปเมืองโขงเกี่ยมนคนจรจักรพรรดประเทศลาวประเทศ เมื่อสมัยก่อนเป็นประเทศไทยใ ช, ใชครับ2435 <36, S 1> ครับ36ครับเป็นของไทยอยู่ครับแล้วก็ไปกราบอุชาอยู่กับปู่ปุชาระยะหนึ่งครับในหลวลงปู่เสาท่านก็จะจำพรรษาที่ของเกียมแล้วก็เดินทางกลับครับมาทางอุบลคือท่านจะจำพรรษาเรื่อยเรื่อยือยมาเป็น ถ้าท่านหันหน้าไปตะวันตกท่านก็จะขึ้นไปถึงหลวงพะบางครับไปอยู่พันหลวงพะบางสักสองสามพันษาครับเสร็จแล้วก็หันหน้ากลับตะวันออกครับก็จะลงไปถึงเมืองโขงครับก็ไปทะดงไปเรื่อยทุดงไปเรื่อยอยู่วัดไปเรื่อยครับบางครั้งก็แยกกันอยู่บางครั้งก็อยู่รวมกันครับอย่างปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบเกดครับ อยู่รวมกัน อ, อครับทั้งหลวงปู่เสาทั้งหลวงปู่มั่นครับแล้วก็พระอาจารย์บุญครับแนวทางคําสอนเ อ, อหลักๆนะครับที่หลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นนะครับมีข้อแตกต่างกันไหมครับไม่<น>ไม่แตกต่างไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าหลวงปู่มั่นนี่ท่านจะจะพูดสอน พูดสอนมากกว่ามากกว่าหลวงปู่เสาอย่างนั้นปะมากกว่าหลวงปู่เสาอ๋อครับทำมาทำหลวงปู่เสา้ท่านเป็นยังไงครับหลวงปู่เสาท่านทําให้ดูครับอ๋อคือวิธีการปฏิบัติท่านทําให้ดูเลยครับทําใจยังไงท่านก่อจะพูดน้อยครับบอกว่าภาวนาพุทโธครับพอภาวนาพุทโธครับท่านก็นั่งให้ดูเลยครึ่งคืนครับพอธรรมดเย็นเสร็จก็ท่านก็จะนั่งไปถึงเที่ยงคืนครับ เราท่างก็จะจำวัดตอนเที่ยงคืนครับแล้วก็ตื่นที่สี่ครับแล้วทั้งก็พาทราวัดเช้าครับคือท่านจะพาธรรมครับหลวงปู่เสาโอแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะพาหลวงปู่มั่นที่โอทุดงไปขึ้นไปไปจนถึงหลวงพระบางครับแล้วก็จะย้อนกลับลงมาจำมันสาเลื่อยมาครับ อย่างปีหกแปดจำพรรษา ท, ที่บ้านคออำเภอผือครับแล้วพอปีหลังมาท่านก็มาจำพรรษา ท, ที่สกลครับชีกอำเภอสว่างแล้วก็มาจําทางฝังตะวนออกสะกลครับคือในจังหวัดเดียวกัน<ม>บางทีก็จำสองปีก็มีครับแต่คนละหมู่บ้านทคนละซีครั บ, ลรบแล้วก็จำมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งลงไปจนถึงเมืงองโขงครับอย่างปีที่ท่านจะมรน้ำภาพเนี่ยท่านก็ไปจำพรรษา ท, ที่ วัดที่อำเภอพิบรลมังสาหา ร, รวัดดอนทาตอเสร็จแล้วก็พอออกพรรษาแล้วคือหลวงปู่เสานี่ท่านมีโยมอุปถัมภ์ที่เป็นเจ้าจอมมานดาอยู่คนคคเจ้าจอมมานดาทับทิมคคเคยพิมพ์หนังสือถวายท่านด้วยรเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่เสาเขียนไว้ หลวงปู่โท่านรัจนาไว้หนังสือมีอยู่เรื่องที่เรียกว่าจตุาราักษ์อ๋อครับท่านจะอธิบายจตุาราักษ์ค่ะกรรมฐานกรรมฐานนะครับครับท่านอธิบายศีลห้าครับแล้วอธิบายกายคตาสติกรรมฐานครับตั้งแต่ผมเป็นสียังไงสันฐานยังไงครับขนเป็นยังไงหนังเป็นยังไงท่านอธิบายเป็นชิ้นชิ้นชิ้ชินไปจนตลอด อาการ33ข้อครับสมุทรเสาว์ท่านมรณภาพ2484ที่ที่ไหนครับที่นครจมบราศรคือพอปี2484ท่านจำรรษาอยู่ที่วัดตอนทาา ค, ครับแล้วก็พอออกพรรษาแล้วก็ท่านก็เตรียมว่าจะไปทาบุญอุปชา ก็เจ้าจอมรดาทัพถิมเป็นคนที่จัดรถไอจัดเรือกำปั่นถวายท่านหกสิบลำเอาเรือกำปั่นถวายท่านไปหกสิบลำคือจะมีคณะสิทธทิ์ที่เป็นพระที่เป็นคารวาสที่เป็นผู้ถือศีลห้าผู้ถือศีลแปดเดินทางกับท่านครับใช้เรือกำปั่นลงไปเมืองโขงใช้หกสิบลำเรือกำปั่นสมัยนั้นน่าจะเป็นเรือติดเครื่องยนต์แล้วละมั้ง เป็นเรือบแบบไหนก็ไม่รู้ยังยังไม่เคยข้า เ, เห็นครับเรือคำปั่นท่านมรภาพด้วยด้วยโรคอะไรฮะชราโรคชราอายุเท่าไหร่ครับแปดสิบสอง <82 S 1> ครับพอท่านเกิดปีสองพันสี่ร้อยสองสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ครับแปดสิบสองปีครับ เ, เห็นว่าท่านมรภาพขนาดที่กล้มลงกราบก้มลงกราบาพระประธานาพระประธานครั้งที่สาม ที่เมืองที่วัดไอศลีอมัมมัดนครจันทบรุรีโอ้ครับครับพอจำพรรสาอยู่ที่นั่นแล้วมีหลวงปู่นก ป, ปู่บัพาเป็นพระอุปถัมภ์นงปู่บัวพาที่คู่กับหลวงปู่เหรียญสมัยก่อนที่เดินธุดงค์อยู่ด้วยกันที่มางานนิมนต์กรุงเทพด้วยกัน หลวงปูปพ่พาภรนสาเก็บเป็นพระอุปถาของหลวงปู่เสาเป็นพระอุปถาของหลวงปู่เสาอยู่ อ, อนนค้ครับครับครับก็พอหลวงปู่เสามรณภาพไปคือหลวงปู่เสานี่เปรียบเสมือนเป็นหลักเป็นหลักเลยนะครับของพร ะ, พระกรรมฐานนะฮะเป็นหลักใหญ่หลักใหญ่เลยแล้วก็ อ, อต่อมาก็หลวงปู่มั่นท่านก็สืบทอดอืมนะครับพอหลวงปู่เสามรณภาพปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ครับ เสร็จแล้วก็แปดห้าแปดปีคือพอสอนสมัยนะั้นมันนับมันกึ่งกันคือนับเริ่มต้นจาก <ใน S 2> เดือนเมษาในสนิสงหาคมกลางด <c oughs> ังนั้นพอปีแปดสี่ของออกพรรษาแล้วนี่ก็ยังเป็นวันที่หนึ่งกุมภาวันหลวงปู่สอนมาภาพยังเป็นปีแปดสี่ถ้าเรานับปัจจุบันนี้ก็เป็นปีแปดห้าครับครับครั <c oughs> นี่กั <c oughs> น, นับ <c oughs> แล้วก็ เ, เสร็จแล้วก็ หลวงปู่สามณภาพแล้วครับมาจัดงานศพที่อุบลครับอตอนจัดงานศพอุบล น, นี้ก็หลวงปู่ฟั่นก็ได้ลงไปด้วย<อ>หลวงปู่ฟั่นไปในนามปัจถาสมณะของหลวงปู่ปู่มั่นก็ครับครับที่อยู่ที่สกล ค, ครับนั้นทีนี้ก็มาสู่ยุค ข, ของหลวงปู่มั่นแล้วนะครับหลวงปู่มั่นบริทัตโตซึ่งพระกระรมาฐานทุกวันนี้พระ วัดป่าทุกวันนี้ก็ดำเนินตามแนวทางของพ่อแม่โคจาร์หลวงปู่มั่นนะครับลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมีเยอะมากอยากให้หลวงปู่ลององลององลองบอกเลยครับว่ามีมีรูปไหนบ้างครับ ท, ที่ที่คนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับรู้จักอย่างดีถ้ายุคก่อนก็ ถ้าไล่ลำดับมาเท่าที่ผมจําได้ก็จะมีพรนสาต้องเลี้ยงหลวงปู่สิงห์ครับพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์มหาปิ่นอ๋อครับครับแล้วก็ลงมาก็เป็นหลวงปู่บุญมาหลวงปู่เทศไอหลวงปู่ดุนก่อนหลวงปู่ดุนอตุโลหลวงปู่ดุนแล้วก็มาเป็นหลวงปู่บุญมาครับแล้วก็มาหลวงปู่เทศครับที่จะออกงานด้วยกันมาครับแล้วก็มาเป็นหลวงปู่ ปูอ่อนครับแล้วก็ถึงจะมาหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยครั บ, รบพอหลังจากนั้นมาแล้วก็บรั น, นี้ก็จะมาเป็นยุคหลวงปู่แหวนครับหลวงปู่แหวนหลวงปู่มายุคสุดท้ายก็หลวงตะบัวรบพระจันทร์บุญเพ่งวัดธรมกองเพลนครับนี่เป็นยุคสุดท้ายครับ มีจันมีหรือยังครับมนี่ยุคสุดท้ายของหลวงปู่มั่นครับเ อ, อนอกจากจะเป็นพระอสายธรรมยุทธแล้วเนี่ยพระมหานิกาย ก, ยก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็มีมีอย่างเช่นหลวงปู่หลวงหลวพ่อชาสุภัทโทหลวงพ่ชาแล้วก็มีที่ซับมือดอ๋อฮะฮะฮะที่ปากช่องนะครับที่ปากช่องแล้วก็มีที่อำเภอสูงเนินอยู่อีกองหนึง ครับ ค, บคบแล้วก็ไปมีทางเชียงใหม่อยู่อีกหลาองค์ครับครับคือหลวงปู่มั่นนี่เปลี่ยนเป็นสองยุคครับสามยุคครับยุคเริ่มต้นที่ท่านออกปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่เสาครับพอมาเป็นยุคที่สองก็คือยุคหลวงปู่มั่นแยกออกจากตัวออกจากหลวงปู่เสาครับเป็นผู้นำหมู่คณะนะ<อ>เสร็จแล้วก็มาเป็นยุคที่ ท่านมอบหมายให้พ า, า, จายจันสิงค์ครับตั้งแต่ปีสองพันสี่รอยเกตสิบครับท่านไปมอบหมายให้พ า, า, จายจันสิงค์อยู่ที่อุบลครับเป็นผู้ดูแลหมู่คณะหลวงปู่สิงห์ขันตยาขมงมแล้วท่านขอปีกตัวไปท่านบอกว่าไม่เกินสิบปีแล้วกลับมาอีกโอท่านขอปีกตัวไปไปไปทุดงนะครับไปทุดงขึ้นภ<อ>าคเหนือครับแต่ท่านขอไปองค์เดียวครับ ไม่พาติดตามม่ให้เนนติดตามแยกตัวกันอยู่ที่จังหวัดอุบลครับแล้วท่านก็เดินองค์เดียวครับตะภายบาดองค์เดียวแล้วก็มาเดินผ่านดงพญาไฟพญาเย็นนี่มานี่ลงไปอุบลครับแวะเข้าไปลบบุรีแวะเข้าไปอะไรตัวอะไรแล้วก็ประจามมันสาที่วัดสัปปทุมที่กรุงเทพกรุงเทพอ๋อลวงปู่บ้านมากรุงเทพด้วยเมากรุงเทพคือ คนเหล่านี้เป็นคนบ้านใกล้เคียงกันอย่างพระอุบาลีคุณุปมาจ า, จาร์นจันนี่ก็เป็นคนที่อยู่ใกล้เคียงกันวั ด, ว, ดวัดบรมนิวาวสวัดบรมนิวาสครับผมวัดสรรปทุมวัดบรมนิวาบตอนนั้นรู้สึกว่าท่านอยู่วัดสรรปทุมครับครับแล้วก็คนบ้านเดียวกันที่อุบลนี่มีออกปฏิบัติ อยู่สามองค์ก็มีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพะอจันบุญพรอจันทาที่เป็นพระเตระผู้ใหญ่แล้วก็ออกฝ่ายปริยัติก็มีเจ้าคุณอุบลีสิริจันโทจันแล้วก็ยุคหลังมาก็มาได้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ทิศอ้วน แล้วก็มาเป็นสมเด็จพระมหาวิรวงศ์วัดภรษษีคร<อ>ีพิมพ์สมเด็จ<ม>พิมพ์นี่เรียนหนังสือเป็นครูสอนลุงตะบับที่เชียงใหมค่ครับครับ<ม>นี่ครับก็คง<ม>จะได้ภาพ อ, อย่างาคร่าวๆแล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องของอกำเนิดพระป่ากรรมฐานนะครับว่าสืบทอดมาถึง ทุกวันนี้ได้อย่างไรนะครับมาถึงยุคของหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนได้อย่างไรนะครับเมื่อหลวงตาท่านมโนาภาพพราสังขารไปณวันนี้ก็ยังเหลือพระที่ทันยุคหลวงปู่มั่นอยู่เนี่ยกี่รูปครับที่เป็นอุูบาอาจารย์ทุกวันเนี่ยครับมีหลวงพ่อวิริยั ง, ยงใช่ไห ท, ที่ยังอยู่มีสองรูปหรือมั้ง กับกับกับอีกรูปมันเป็นอาจารย์บุนเพงอ้อนรูปบุญเพ ง, ออเพง <c oughs> สองรูปเออสามอาจารย์แตงอ่อนที่อุบอวรรณะรูปแตงอ่อนนะครับอ๋อครับอาจารย์บุญนาก็เคยทานอออครับาจารย์บุญนาที่มากับท่านเจ้ของไทยแล้วอาจารย์สวนก็ยังหลายรูปอยู่ที่เคย อาจารย์ 130, สวงรพระอาจารย์ที่เป็นเนนอยู่กับหลวงปู่มั่นอีกองหนึ่งก็ที่บ้านหนองคายที่อาจารย์ประสาน อ, อ๋อหลวงปู่ประสานหลวงปู่ประสานอ๋อครับองค์นี้เป็นเนนครับเป็นเนนใหญ่รพระอาจารย์บุญนานี่เป็นเนนตัวเล็ก <laughs> ครับ <Quality> พระอาจารย์บุญนานี่เป็นเนนหลวงปู่อ่อนครับแต่เข้าไปปฏิบัติหลวงปู่มั่นครับ พระอาจารย์สมชายเป็นนินของท่านอาจารย์สุวัตโอ้พระาจารย์สชายวัดเขาสุ ก, กิมวัดเขาสุ ก, กิมครับพระอาจารย์มีอย่างนี้เป็นนินของท่านอาจารย์กุงมาของหลวงปูก่กรงมาครับเน <c oughs> ี่ยครับก็สืบทอดกันมาเรื่อยนะครับในวงพระกรรมฐานคือ ค, คนคพวกนี้เขาจะไปได้สิทธมาองค์ไหนพอที่จะฝึกครับให้รู้จัก เอาเจียววัดได้เขาก็จะฝึกฝึกได้แล้วก็ส่งเข้าไปปฏิบัติครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนคือเราก็ไปทำหน้าที่อย่างอื่นเขาก็จะฝึกเอาเนนเอาพระเข้าไปปฏิบัติหลวงปู่ครูบาอาจารย์